ไม่ใช่ว่าจะมีเหตุแล้วไร้ผลธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาจานิ์ที่โกอ ย, อย่างนควรพวกเราจะทีนิพิยารณารูปที่เราไปติดข้องพอใจเป็นอย่างไรให้ทีนิพพจรารณาดูอย่าเอาเรื่องที่เหลือตันหาออกไปว่าให้ทีน่นิพพยาาดูจริงๆแจงงผม อยู่บนปีศักเราคิอว่ามันสวยมันงามแต่หากลุดหล่นออกมาใส่ภาชนะอาหารมาละคนบนกับข้าวหรือกับแกงหรือกับตับส่วนใดตัวตามเราพอใจไหมมีคนหยิบผมออกจากปีศาจมาทิ้งใส่ถ้าเป็นทองเสวยทองงามทำไมเราไม่พอใจขนก็เหมือนกันเล็บฟัน เป็นแต่ของโสกระโกระทางนั้นเหตุใดเราจรึงจะพอใจติดห้องในรูปรูปมันให้ความสุขความทุกอย่างไรรูปมันสวยมังามมันหอมมันเหม็นอย่างไร ท, ไทําไมอย่างนี้ที่เจริญนาจะไปหลงตามเรื่องทุกขกิเลสปัญหาไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสุขนี่จะจะได้รับทุกข์เรื่ยไปมันเคยกี่หลังนั่งคอเรามาหลายพจหลายชาติแล้วเรื่องกิเลสปัญหาเราจะยอมเป็นที่ข่ายมันกี่หลังนัง่งคอ เรื่อยไปอย่างนี้เลยเราเป็นนักครลบลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องสู้กันพิจารณากันมันจริงมันเช็อย่างไรต้องเอาปัญญาอย่างที่นี้พิจารณาเสียงมันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปถ้าเสียงอันใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีการดับแก้วหูแตกนานแล้วอยู่ไม่ได้ ตายกันหมดพราะเสียงมันจะดังเจนเจ้าหงเ์ขามนุษย์และสัตว์แตกตายหมดแล้วนี่มันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปแต่ใจของเราผูกไปเจ็บเรื่องเหล่านั้นมาฝุ่นคิดอยู่ในใจเดี๋ยวกต่ว่ามันดีอย่างนั้นเดี๋ยวแตว่ามันส น, นอยอย่างนี้คิดโกหกตัวค้องตัวให้จิตวุ่นวายเสียตับไม่เป็นชาระประโยชน์อะไร ให้คิดตามทำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ใส่ให้มีปัญญาตัดกระแสของมันอย่าไปคิดตามกระแสของที่เลสให้คิดไปตามกระแสของธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดเดินตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอุตสาห์พยายามทําตามโอวาทของผ่านจริงจังมันพิจารณามันศึกษาเรื่องความเกิดความดับ สองตัวไม่ว่าส่วนนอกซึ่งเป็นรูปวัตถุทำหรือส่วนในซึ่งเกี่ยวกับนมามธรรมอะไรเกิดขึ้นตัวมีจรกการดับทางนั้นถ้าเกิดขึ้นได้ตายในต่องสงสัยสิ่งเหล่านั้นจะต้องตายไปพั่วไม่มีอะไรเหลือหรอไมว่าอะไรเกิดอันนั้นต้องตายเรื่อยไปจริง ท, ที่เนื้อเกิดเนื้อตายคืออะไรเราเห็นไหมเราเข้าใจไหม เราไม่เข้าใจเราทําอย่างไรเราถึงจะเข้าใจเรื่องเรานะต้อคนขวาที่นี้ที่เจอเนีแยกแ ย, ยะส่วนนี้ให้ละเอียดลงไปหมดสงสัยจากรูกจะต้องตามเรื่องของน้ำเข้าไปเรื่องของน้ําขกมีในเหมือนกันส่วนเรื่องของลูกของลูกเมื่อลูกมันดับ มันไปจับในจิตในใจนามันดับกาไปจับในจิตในใจอะไรที่ไปรู้ว่ารูปมันดับลงไปนามันหายออกไปสิ่งที่เรารู้ส่วนนี้คืออะไรเราค้าใจเราหรือเห็นไหมและยังเกลียวข่องอยู่ในเรื่องเหล่านี้ไหมเมื่อเรายังไม่พอใจกาศึกษาเข้าไปที่นิพพานาเข้าไปจนจิตใจที่เคย ขัดข้องเคยสงสัยเมื่อไปถึงจุดที่หลุดจริงจังจะต้องรู้ไม่มีเวลาที่จะมาลุ่มหลงตามเลืองลูบเรี่อ ง, องเสียงยังลูกอย่างนามอีกแต่ถึงจะช้จิตญามารยญาตลราจายอย่างไรก็ใช้ไปตามสมุดทั่วโลกแต่จิตของท่านที่เป็นผู้เหนือสมุด เป็นอย่างไรท่านจะเข้าใจชัดเจนไหมท่านนี่เป็นเรื่องทำทำสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้พวกเรามีหน้นาที่ที่จะต่อยอดเพื่อปฏิบัติให้รู้ให้เห็นท่านไม่ได้ผูกขาดแบบคนช่างพุทธการทค่อยปฏิบัติได้ทค่อยรู้ข่อยเห็นถ้าไหมต่อไปพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว เรื่องธรรเหล่านี้จะศึกษาเท่าไรจะประพฤติปฏิบัติเท่าไรไม่รู้ไม่เห็นถ้านไม่ได้ดผูกขาดอย่างนั้นธรรมจึงเป็นของกลาสําหรับโลกเป็นอาตาลิฟโกผู้ประพฤติปฏิบัติยังรู้ยังเห็นในจิตในใจของท่านท่านจึงสามารถพากย์และพูดได้เป็นปากเป็นเสียงของท่านโลกเขาจะวุ่นวายผัดผ่องอย่างไร เป็นเรื่องของโลกเขาแต่จิตใจของท่านไม่ได้วุ่นวายในตามเรื่องของเขาลาบยศสรรเสริญสุขท่านได้พิจารณาพอแล้วอ่าเป็นเรื่องของโลกเสี่ยมลาบเสียมยศเบี้นทาทุกทนก็พิจารณาพอแล้วอะไรทั่วไปในโลกแต่ทำทั้งแสดจะได้ติดข้องขัวพัานในจิตในใจของท่านผูกเป็นนีมุดหลุดไปจากที่เหลือตัณหาให ม, ม่ี ท่านที่มีความสุขความสบายอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นสุขคาโตทุกอิริยาบถไม่เหมือนพวกเราพวกเราที่เอากิเลสตันหาเป็นแนวหน้าเป็นอย่างนั้นถ้าไปศบพบเห็นสิ่งที่ตนปรารถนาสิ่งที่ตนต้องการเกิดความพอใจถ้าสิ่งนั้นปราดจากไปเกิดทวามหงอยหงอมันให้ทุกทุกอย่าง ไม่มีวันมีเวลาที่จะส่งส่งซาหรือเบาสบายกา ร, ป, รปฏิบัติอย่าไปขัดบันกับการทุกอุตสาห์พยายามทำการจริงจริงจั ง, จ ง, จ ง, จงเพราะการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีนอกจากเราจะแกกไขหรือทำหน้าที่ของเราจึ่อเรียกว่าพระชื่อผู้ประเสิฐมันประเสริฐอย่างไรถ้าหากมันยัง งัวเมาเก่าฝันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกเขาอยู่อย่างฆราวาสเขาติดในเรื่อบวชเป็นพระเขาก็คิดได้รู้ได้อย่างคิดไปในแง่ต่างๆมุมต่างๆของเรื่องที่เหลือี่เราเป็นพระว่าประเสริฐทําไมจิตใจจึงไปงัวเมาเก่าฝันจึงไปคิดอาเรื่องของสามชาลาโมอกอย่างนั้นสอนใจเขาปลกเราท่านอยู่ เรื่อยๆไปอย่าไปปล่อยใจให้เสียวันเสียเวลาฝึกอบรมอยู่ทุกการทุกเวลาอย่างนี้จิตใจจะไม่ดีจะไม่ก้าวหน้าไม่มีถ้าไม่ฝึกไม่อบรมเช่นเลยไม่ดัดในแปลงเช่นเลยมันอยากอย่างไรทําไปตามชอบใจคิดไปตามชอบใจมันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะดีเด่นไปได้ผู้ที่ดีเด่นมา ร่วนแต่ท่านฝึกหา ด, ดัดแปลงอดทนป้าอาหารในการละชั่วบำเพ็ญดีเสมอมานิใครว่าจะดีขึ้นเองเคยเห็นไหมเป็นนั่งสอบสำหรับอาหารอยู่จะให้อิ่มเองใครมีไหมมีเราเข้ามาในสถานที่ส ง, งบสงัดโดยไม่มีรูปเสียงเรื่องราวอะไรมายุ่งเหยิง หรือแบบตาของเราควรที่เราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเต็ตตตมที่เต็นฐานนิสัยวัดจะให้พอไปในสถานที่สงบสงัดแล้วจิตใจจะสงบสงัดแต่เราเรานำเรื่องต่างๆมาจากอดีตที่เคยเห็นเคยได้ยินมาปลุกจิตปลุกใจคิดนึกอยู่อย่างนั้นเรื่องการขอบการสรรการอยู่การจินก่อให้คิดดู เรื่องหล่างกายของเราเป็นอยู่ด้วยของสกปรกเราดื่มเราจินอะไรลงไปล่วนแต่ของสกปรกถ้าหากไอตกถูกที่นั่งที่นอนของเราต้องหนีล้างต้องหนเช็ดออกอเพราะมันสกปรกถูกเนื้อถูกกายของเราเหมือนกันแต่เหตุใดเราถึงขบถึงขันถึงราบลงไปได้ของสกปรกอย่างนั้นเพราะธาตุขันมันเป็นของสกปรกอยู่ด้วยของสกปรกการขบการขัน การรับอาหารอย่าไปคิดติดรสธาตุต่างๆใครคิดว่าเราขบขันเพื่อธาตุขันเป็นอยู่เท่านั้นจะได้ทาความขาดความเทียนนม่ใช่ว่าจะเอาอรสอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปติดสมมติส่วนนั้นใครคิดว่าเราทานอาหารชันอาหารลงไปเพื่อบำรุงธาตุขันหรือเพื่อให้ธาตุขันเป็นอยู่พอให้ํำจัด เลทนาคือความหิวกประหายออกไปถ้าหากเราไม่พบไม่ชันไม่อยู่ไม่จินอย่างนั้นร่างกายเปียยเที่เลงไปจะทำความเพียรไม่ตลอดรอดสั่งไปได้อาศัยอาหารเียงเังแฉกเป็นของบางุงขาดขันสื่อการส่วนเวลาพอไป ทำหน้าที่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นอย่าไปถือหนือย็ดอาหารมากไปกว่านั้นถ้าไปถือหนักไปกว่านั้นมากไกว่านั้นอาหารก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นทำํทำจิตทําใจของเราให้โกรธให้เดือดร้อนในเมื่ออาหารเนี่ยถูกปฏิเสธปัญหาของตนแล้วทําใจของเราให้ทนองแย่หายในเมื่อได้าอาหารที่ดตที่ดีมา เดือนั้นาการพิจารณาอาหารให้เจรนาเี่ ย, ยว่าเป็นของขบฉันหรือเราไปทานไปเพื่อยังขาดขันเป็นอยู่ได้เพียงวันวันเท่านั้นแต่ถึงจะเป็นของอร่อยร่อยของดี้องดีขนาดไหนก็ตามอาหารจะต้มจากตามตุกขบุกไปไม่ได้ทิ้งเอาไว้ไม่นานอาหารนั้นจะต้องบูดเต่าหรือเสียหายยิ่งเข้าไปใน ปาในคอของเราเชี่ยวเข้าถูกกับมูลฟันไม่เชื่อเรามันส บ, ส บ, สบกระโปรงอย่างไรเราจะคายออกมาดูกอดาจะสามารถดื่มหรือกินเข้าไปอีกด่ไหมมันจบกระโปรงขนาดนั้นธาตุขันหรือรูปร่างกายของหญิงชายทั่วไปเป็นท้องกระโปรงอาหารก็เป็นท้องกระโปรงพอที่จะเราเลึกได้คิดได้ ว่าล่างชายของหญิงชายทั่วไปเป็นของปฏิกูลไม่ใช่เ่็นของที่หล่อหลอมสวยงามอะไรเมื่อเราเข้าใจเรื่องถาดขันท่องเราหรือพิจารณาถาดขันท่องเราให้เห็นเป็นปฏิกูลยิงจังแจ้งไวจัดกำหนดดูถ้าหากไม่รู้ไม่เข้าใจยิงจังอย่างนั้น เราจะต้องอนุมานทิศทางในออกมาทางนอกดูเราเอาหนังทางนอกเข้าไปไว้ทางในแล้วทิศไส้ตับปอดต่างๆออกมาทางนอกคนที่เอาข้างในเข้าไปทางนอกเอาทางนอกออกมาเอาทางนอกเข้าไปทางในเอาทางในออกมาทางนอกอย่างนั้นมาแรงวันจะต้องบินตังจะชอบไหม กล่ของมันเป็นอย่างไรแต่เพียงหนังห่นอยู่ขนาดนี้มันโผล่ออกมายงเป็นเศเป็นลมเท่านั้นก็ยังความเหนียงยิงมันตกออกมาเป็นก้อนเป็นอันก็ยิ่งก็จีคูนกํนาหบบนี้เรื่องของร่างกายเป็นอย่างนี้ให้พิ่เจนะสั่งเรื่องทางกําหนังยินดีของตงตามพิจารณาขาดขันเป็นสติสัตานควรจะคิดอ่านควรจะที่นพิจารณา เพื่อแก้ไขกิเลตปัญหาที่เปเมาเอาวาตสัวอย่างนั้นงามอย่างเมื่อที่เจราาาเานาธาตขันของตนธัดเยนเห็นประจักษ์เป็นของปฏิกูลอย่างนั้นธาตขันของสัตว์อื่นคนอื่นก็เหมือนกันธาตขันของเราเป็นอย่างไรธาตขันของเขาควจะเป็นอย่างนั้นจะไปหลงไหลหรือชอบใจอย่างไรและการทลองถาดทองขันของศิษย์มีความศิษย์ไห เราคงพอจะรู้จะเข้าใจได้เรานัง่งนานๆเป็นอย่างไรที่คุกขไม่โผล่ขึ้นมาเพราะอริยบทของเรากบเอาไว้ถ้า น, น, นั่งนานเหนื่อยๆนิดหน่อยก็ไปเดินเทียงนอนเท ja. ียงถานอนนานๆเกิเควาดเหนื่อยก็ตับลุกล่างหน้าล่างตาออกไปเดินไปนั่งเทียงความจริงกอริยบทเป็นเครื่องกบทุกเอาไว้ปิดทุกเอาไว้ แต่ถึงอย่างไรปิดเท่าไหรมันกบโผออกมาเหมือนเราปิดของเห็นมันจะต้องมีสิ่งใ้เห็นเช่นได้เรื่องท้องกายก็มีทุกอยู่อย่างนั้นเราจึงไม่ควรปรารถนาะอยากจะเกิดจะตายกันจะเกิดเท่าไรก็ตายอยู่อย่างนั้นเป็นทุกอยู่อย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะหายจากความทุกข์ยาก ลำบากเพราะการเกิดการตายทั้งสนเมื่อจิตของเราไม่ตั้งหารในการที่จ ะ, จ ะ, ะสะเพริปฏิบัติเพื่อตัดความเกิดความตายแล้วเรามาแบ่ความเกิดความตายอยู่เแลอยแล้วเรามันจะไม่ลำบากมากกว่าเราพุ่มเทกําลังของเราทำความภาคความเพียรเพื่อข้ามไปจากโลกจากเพื่อจะตายอยู่ใยู่ในสอนตนอย่างนั้น ในจิตของเรากล้ออาหารในการที่ประบัตปฏิบัติไม่อย่างนั้นวันนี้ก็ปล่อยไปวันหน้าก็ปล่อยไปจิตใจเคยในเรื่องการปล่อยตัวแล้วกปรับตัวไม่ขึ้นปุงตัวไม่ได้เคยหลับอย่างไรก็หลับกันไปเคยนอนอย่างไรก็นอนกันไปเคยกินเคยดื่มอย่างไรก็กินก็ดื่มกันไปมันไม่มีวันมีเวลา ที่มันจะดิบจะดีไปได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมะมาเนี่ยสอนพวกเราล้วนแต่เคยฝึกฝนอบรมทรมานตนมาทางนั้นอุตสาห์พยายามอบกั้นในเรื่องต่างๆของท่านมานเชียงเพียงพอบรอิบูรหนักเอาจึจริงๆริงจังๆบางท่านบ้างองค์เป็นคนที่สาด ท, ที่กลัว อุตสาด้านบนไปอยู่ในป่าช้างดงเสือชะละตายเสือพาวนาเมือ่อสู้กันอย่างนั้นทำกันอย่างนั้นมันยังไม่ได้ผลยังไม่เห็นผลตัดอาหารมันอีกสองวันสามวันมันจะตายจริงจังถึงขอยให้มันขบมันฉันเอากันอย่างนั้นถันทำกัน ทำจริงจริงๆจงแจงพวกเรามันอยากจะสุขก่อนห่ามมันสำคัญพอทำกันไปนิดนิดหน่อยหน่อยพอหยุดกอดท้อยไปเสียผลประโยชน์ซึงเกิดขึ้นหรือได้มาจึงนิดหน่อยไน่เพียงพอต่อความต้องการของสนเหตุนั้นพวกเราทุกท่านคือยอดพระพ่สุสามเณรฝ่ายยิปชนาผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตา การปฏิบัติจงพากันฝึกหัดและสอนจิตของตนอย่าเป็นคนงมงายในการการปฏิบัติอุตส่าห์พยายามทําตามโอวาทของพระพุทธเจ้าข่วนคิดที่จาเณานสอนจิตของตนอยู่สม่เสมอไปจิตใจของเราก่อนับวันที่จะเก่าหน้าไปสู่ความ สุขความสบายจนหลุดพ้นไปจากเิืเลองปัญหาอย่างภาริยเจ้าในช่างพุทธการจะไม่ได้เชื่อตามคำของคนทานรามักผลมันหมดไปเมื่อพวกเราตั้งใจไปปฏิบัติอย่างนั้นก็จะพากันเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาและเชื่อมัน่นในตัวของตัวเองว่าเป็น ธรรมะวิเศษยังคงที่คงวิงามอยู่ไม่ได้เสียหายไปสถานที่ใดเมื่อจิตใจพวกเราได้รับความสว่างสวัยได้รับความสุขความสบายจากใจที่ในเกาะเขียวจะยังที่เด็ดตัญหาอย่างนั้นเราอยากจะสอนคนอื่นเราขอสอนได้เป็นปากเป็นคอของเราเราอยากจะอยู่แต่ตัวของเราคนเดียวก็แม่ขาดทุนสูนกําไรอะไรอยู่สถานที่ใด จะจ่ายไปก็ไม่หมดจะเก็บไว้ก็ไม่เหลือเกลือมีความสุขเพียงพอบริบูรอยู่อย่างนั้นเหตนนั้นขอทุกท่านทุกคนจงนําธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่นํามาอธิบายนี้ไปที่นิสิตแก่นนะ่ะเมื่อเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบควรประพฤติปฏิบัติแล้วจงนําไปประกอบประพฤติปฏิบัติตามในอวสาน การอธิบายธรรมะนี้ขอคุณพลายศรีรัตนไกรเช่งตามรักษาถันนักปฏิบัติให้มีความสุขความเจริญทุกทวนหา้ากันเทิญเอวัง